ทานฟังที่ครบคะ่ะผ่านไปนะคะสำหรับพระมาร์ชาคาวะโรแห่งวัฒ น, นาปาพงลำลูกกาคลองสิบ ค, ค่ะตอนนี้เราก็กําลังจะมาพบกับพระอาจารย์จากจังหวัดอุดรธา น, นีนะคะเปลี่ยนจากปทุมไปอุดรเลยที่อําเภอหนองหานพบกับพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนายโซ ค, ค่ะการร้องสการค่ะเชี่ยนพานช่วงเวลาของท่านภัยบุญชื่อเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะค่ะ ท่านพ uh ิ huh. บูลค่ะเมื่อวานที่ดิฉันบอกว่าหมดเวลาหรือยังถามท่านไม่ทันนะคะ uh huh. หลังจากที่ได้กลับไปียนถามท่านเรื่องความเชื่อของทางตัวันตกเกี่ยวกับเรื่องสุดที่สิบสามว่าเป็นวันไม่ดีแล้วถามว่าทางพระพุทธศาสนาเชื่ออย่างไรท่านก็ได้เมตตาตอบมานะคะว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คําสอนของพระศาสดาเพราะว่า ถ้าเราคิดดีผู้ ด, ดีทำดีเวลาใดก็ดีถูกไหมคะใช่คือคื อ, คอต้องอธิบายอย่างนี้รายละเอียดเพิ่มเติมคิดว่าวันนี้เราอยเวลาพูดให้มากขึ้นได้ค่ะแล้วคือส่วนที่มันจะตรงมันก็มีส่วนที่มันไม่ตรงก็มีเราพูดส่วนที่จะไม่ตรงก่อนแล้ส่วนที่จะไม่ตรงก็คือเป็นวัตตโกตูหิระมงคลหรือไม่อันนี้เราต้องใส่เครื่องหมายคําถามเอาไว้แต่เพราะถ้าเราเชื่อเป็นตุเป็นต่าเชื่ อ, องงี้ยึดมั่นอย่างถือมั่นว่าอันนี้จรงิงเท่านั้นอย่างอื่นไม่จรงิงเนี่ยอันนี้คุณผิดละนคือคุณไม่ถูกตามคอนแล่ำ เป็นมงคลของสมรภาร์ราเหล่าอื่นที่เมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเป็นทางตันนะําไปถึงไหนไม่ได้ประการที่สองก็คือว่าเอ๊ะอย่างนี้มันเป็นการพึ่งตนพึ่งธรรมหรือเปล่าเราทําไมจะต้องไปพึ่งสิ่งภายนอกพึ่งเวลาพึ่งคนอื่นพึ่งนิมิตอย่างนั้นเพื่อจะให้เรามีจิตที่เป็นกุศลอย่างนั้นหรออันนี้อันที่ทสองนะทีนี้ส่วนที่มันจะสอดคล้องกันมันก็จะมีอยู่นะคือส่วนที่จะสอดคล้องกันก็มีเรื่องของนิมิตที่พู้ทธเาได้เคยตรัสไว้ นิมิตเนี่ยหมายถึงเครื่องหมายคุณหยมติว๋วในะ <c oughs> เครื่องหมายอย่างเช่นยังไงเอราวมาจะยกตัวอย่างให้ฟังมีครั้งหนึ่งเอราวมาเดินอยู่ที่วัด ป, ป, ป่าดอนไห่โศกเนี่ยนะ <c oughs> เดินจากโรงอาหารมาที่กุฏิหลวงพ่อเนี่ยจะมาแจ้งข่าวสักอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหล ะ, ะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> แล้วเราเดินมาด้วยความมั่นใจมากเลยเราจะไปบอกหลวงพ่อเรื่องนี้อย่างเงี้ยนะปรากฏตอนเดินมา <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยมันก็เพิ่งฝนตกเสร็จใหม่ๆดินอะไร <c oughs> ต่างๆก็ยังเปียกอยู่ก็มีลมมีอะไรบ้างเรามองไปทางศาลา แเราก็พบเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่ใบมันจะแกวงไปแขวงมาแขวงไปแขวงมาซึ่งปกติมันจะไม่ค่อยแขวงเท่าไหรมันจะเป็นใบนิ่งๆอยู่แล้วใบมันก็สะอาดมากเลยเนื่องจากฝนเพิ่งตกใหม่ๆเรามองดูใบเนี้ยมันใส่ไปใส่มาเหมือนกับสายหน้าว่าอื้ออย่าทำอย่าทำเราก็เป็นนิมิตให้จิตของเราว่าโอ้สิ่งไม่ดีเราไม่ควรทําเราเดินกลับเลยเราไม่บอกไม่พูดสิ่งไม่ดีคนเื่นเราไม่พูดอย่างเงี้ยอันนี้เป็นนิมิตสําหรับสําหรับตัวเราเองนะสาหรับตัวธรรมายเอง ว่าอันนี้เราจะไม่ทําความชั่วไหนะจริงๆแล้วเราเร า, เราจะทําอย่างอื่นได้ไหมนะคือแทนที่เราจะต้องให้ใบไม้มาช่วยบอกเรานะเราสามารถที่จะบอกตัวเองได้ไหมมีสติระเลืกว่าเฮ้ยความชั่วกันอื่นจะไม่พูดความชั่วคนอื่นฉันไม่พูดอย่างนี้นะถามว่าเราจะมีสติตรงเนี้ยเราทําเองได้ไหมอันนี้ถ้าคุณทําได้ก็ยิ่งดีแตนะ่บางทีมีนิมิตอะไรต่างา ม, มาบอก ก, ก, ก็ก็สามารถทําได้เหมือนกัน ถ้าใครจะใช้นิมิตก็สามารถทำได้เพราะในกรณีอย่างนี้สมมติเลข 9.09 โมงนาทีวันที่19เดือน9ปีอะไรไม่รู้เนี่ยะมันจะทำให้เราโชคดีแล้วคุณสามารถทรงจิตไว้อย่างนั้นได้ถือว่าตรงนี้เป็นนิมิตแล้วคุณจะทำคุณก็ทำได้ไม่ว่าอะไรแต่ให้ให้มีความชัดเจนว่าตรงนี้เป็นแค่นิมิตนะเพราะจิตคุณเป็นกุศลแล้วคุณต้องวางนิมิตนะแต่ถ้านิมิตคุณนี้ไม่ได้นะยังมีทางออกทางอื่นนะไม่ใช่อันนี้อันเดียวนะ อย่างเงี้ยที่มันจะสอดคล้องมันก็จะมีเพราะฉะนั้นอยู่ที่จิตของท่านฝังว่าเอ๊ะคนที่เอาถือนิมิตถือเลขถือดวงถืออะไรพวกเนี้ยคุณคุณไปถึงระดับไหนอ่ะค่ะทีนี้ขอกลาบเรียนต่ออีกเรื่องหนึ่งนะคะเรียนพานที่ตั้งใจจะถามท่านเมื่อวานก็คือบางทีบางครั้งในบางสถานที่คนก็จะพูดกันนักหนาว่าคุณเป็นผู้ใหม่ที่มาที่นี่เนี่ยขอให้รู้ว่าคนเดิมๆที่เขาอยู่กันมาเนี่ยเขาแผลงฤทธิ์เอาไว้ไม่อยากจะให้คนมาใหม่อยู่สุขสงบ Mm hmm. ถ้าพูดภาษาไทยยแบบโบราณเลยนะพื่ี่กันทาของ oh. เขาทาของที่ไม่ดีเอาไว้นะคะ อ, อันนี้ค่ะพูดถึงสมมติมีคำกล่าวเล่าแบบน่าเชื่อมากเลยแล้วบมงเอินตอนเข้าไปในสุขภาพไม่ดีเราก็เ mm hmm. กิดโอ้นั่นก็ไม่สบายเดินก็ไม่สบายทำอะไรก็ไม่สบาย mm hmm. กย็ยังไม่อยากคิดไปไกลขนาดนั้นแต่ก็อดคิดไม่ได้ เออหรือว่าของเอาไว้สมมตินะคะอะจ ะ, อะทํำไงดีคะเนี่ยกรณี้มันจะมีเรื่องที่เลือกปัจจัยสี่มาเกี่ยวข้องด้วยแต่พระเจ้าเคยตรัสถึงสถานที่ใดที่หนึ่งจะเป็นวัดจะเป็นปา่าจะเป็นห้องว่างจะเป็นเรือนว่างเรือนไหนก็แล้วแต่ที่เมื่อเราพอไปอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าเราจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นกะ็ไม่ตั้งมั่นนะอาสวัตที่ยังล้ะไม่ได้ก็ล้ะไม่ได้จิตมึนงงบ้าบอคิดนู่นนี่อะไรต่างแล้วปัจจัย<น>สี่ก็หายากด้วย ไกลด้วยที่ทางอลไรก็ไม่ค่อยสะดวกลําบากด้วยอันนี้คุณรีบเพ่นเลยรีบเพ่นเลยถ้ารู้ว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้นกลางคืนรู้เวลากลางคืนเพ่นเดียวนั้นรู้เวลากลางวันก็เพ่นเดียวนั้นใน่างนี้นี่<ม>นเพ่ น, มนไม่ได้มันต้องทําอยู่<อ>นะ ต, <ำ>ตรงนั้บ ถ, ถ้าอยู่แสดงว่าอาจจะมีปัจจัย4ดีใช่ไหมทีนี้พระเจ้าให้เน้นเรื่องของจิตไงว่าถ้าเราสามารถทรงจิตได้ไหยในการที่จะให้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นให้ตั้งมั่น อสวกที่ยังละไม่ได้ให้ละได้อย่างสช่นความกลัวเนี่ยเป็นอสวกอย่างหนึ่งนะคุณชมติยวมันกัดกินจิตของเราอยู่ในใจเนี่ยยังมีหลายคนเล่นมาหลีกในปฏิบัติที่วัป่าหรือในโศกเนี่ยใบไม้หล่นก็กลัวหนัง ก, กบมันกระโดดไปกระโดดมาก็กลัวเสียงนี้ต้องเป็นใครเดินเข้ามาหาฉันแน่นอนอะไรต่างๆมันเป็นผีมันเป็นความกลัวที่อยู่ในใจของตัวเองนะครัว่าตรงนี้เป็นอสวกของคุณนะคุณละได้ไหมแตนะ่ถ้าคุณละได้แหมดีมากเลยแต่บางทีมันต้องมีเครื่องทดสอบอย่างเช่นความกลัวความแรงต่างเรื่องเล่าต่างๆมีแน่นอน นะบางทีมันอาจจะอาจจะง่ายก็ได้มันอาจจะยากก็ได้มันก็แล้วแต่คนนะนะอินทรีย์ของเขาอท่านพุบุญคะถ้าท่านพูดมาถึงตอนเนี้ยดี๋ฉันจะถามคําถามที่ตั้งใจจะถามท่านมานานแล้วนะคะเนี่ยท่านพท่านพุบุญเคยเห็นผีไหมคะเพราะว่าวัดท่านเนี่ยก็เวลาปฏิบัติที่เคยไปก็จะอยู่กันมืดๆเหมือนกันนะคะเออโดยส่วนตัวสมาเอกสมาไม่เคยเห็นพวกนี้เลยไม่ไม่เคยเห็น ไม่เห็นแล้วท่านคิดว่าที่ไม่เห็นเพราะว่าไม่เห็นหรือว่าไม่เห็นเพราะว่าไม่มีคะคือไม่เห็นเพราะเราไม่ใส่ใจคุณชมติวไม่เห็นเพราะเราไม่ใส่ใจนะถามว่าสิ่งที่เธอเห็นหรือว่าความรู้สึกที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยอย่างอย่างความรู้สึกที่อยู่ในจิตของเราจะเป็นเรื่อง อันนี้มันเหมือนกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นบางทีคนนั่งสมาธิแล้วก็เหมือนมีความสุขเป็นเหวตกลงไปเอ๊ะทำไมบางทีเรามีความกลัวสะดุ้งขึ้นมาตกใจขึ้นมาตัวเอ็นไปง้งหน้าตัวเอ็ข้างหลังพวกนี้เหมือนกันหมดเลยไม่เกินไป5อย่างนี้คือเวทรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เกินห้อย่างนี้ถูกไหม ค, ความกลัวอยู่ในจิตก็ตามเป็นอะไรเป็นสัญญากับเป็นเวทนานะหรือบางคนรู้สึกบูบบ๊บบลงไปนี้เป็นเวทนานี่ก็เป็นสัญญาด้วยนะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นตลอดไหม คําตอบง่ายๆก็คือมันไม่ได้เกิดตลอดนะบางทีมันก็เกิดบางทีมันก็ไม่เกิดออกจากที่นี้ไปหายไปกลับมาที่นี่มาอีกเป็นอีกอยู่ที่นี้มันก็ไม่ได้เป็นตลอดเวลาด้วยแต่ไม่ใช่แสดงว่าไม่เที่ยงนะถ้าสิ่งใดไม่เที่ยงต้อไปถามผู้เช่าดูผู้เช้าบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเขาต้องเป็นทุกข์ใช่ไหมสิ่งใดเป็นทุกข์นี่มันทำให้เราทุกข์อยู่ถูกไหมล่ะทําให้เรากังวลทําให้เราไม่สบายใจทําให้เราหงุดหงิดทําให้เราฟุ้งซ่านนับเราแน่นอนน่ทีี้สิงดเป็นทุกข์ย สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาคุณโยมติว่ะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอะไรเป็นอัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาพระรูปเจ้าบอกไว้อ่าั้นเหรอคะใช่สิ่งสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานีพระเจ้าเคยถึงว่าเป็นอนัตตาครับท่านกันเพราะว่าอนัตตาเนี่ยเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ว่ามันมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ สิ่งไดเป็นนัตตาเนี่นะเป็นอนัตตานี่นะพระเจ้าบอกไว้ว่าควรจะเห็นสิ่งนั้นว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราอันนี้ไม่ใช่เป็นเราอันนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราแต่นี้ปัญหามาอยู่ตรงนี้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงยังเห็นว่าเป็นตัวตนของเราอยู่ทำไมยังเห็นว่าเป็นของเราอยู่ความกลัวนี่อยู่ที่จิตชั้นหน้าเป็นของฉันนะมันมันก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตาเรายังเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราคือบางทีอาตมาอาจจะเห็นก็ได้ในสมาธิแต่เราวางเลยเราไม่สนใจ เราวางเลยเราไม่สนใจเราไม่เคยเออกมาพูดอีกข้างนอกค่ะเราก็จะบอกว่าเราไม่เคยเห็นนะเออท่านอาจารย์คะทีนี้ออที่ฉันอาจจะพามาไกลสักนิดหนึ่งพักตรงนี้ไปนิดเดี๋ยวจะมาต่อไ ด, ะะได้ได้ไแต่ขอไปปิดประเด็นที่ถามตอนแรกให้จบเคือเรื่องทาของนะคะ อ, อสมมุติว่าเกิดเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นอควรจะทําอย่างไรถึงจะทําให้สามารถอยู่ในที่นั้นต่อไปได้อย่างอง์อาจ มาดมั่นไม่หวั่นไหวติดต่อไปเลยโดยมไม่ต้องทําอะไรเลยใช่มันมีสองวิธีคือไม่หนีก็สู้นะี่หนี น, นี่ก็หนีอย่างองอาจนะคือหมายความว่าเราก็จะรู้จักวิธีเผ่นใช่ไหยเราก็ทําจิตให้ปล่อยว่างไม่ให้สนใจอะไรมากแผ่เมตตาให้เขานะีหรือสู้นะีสู้ก็สู้ด้วยความโอดทนนะีไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตเนะีเรานั่งสมาธิแผ่เมตตาให้นะีหรือว่าเร า, เาทําบุญสร้างบุญส่วนให้เขาอย่างเงี้ยค่ะเออพอสามารถทําได้ เหมือนกับว่าเล่าก็ไม่รู้สิ่งที่คนมักจะพูดว่าบางคนบอกว่าไ ม, ไม่เชื่ออย่าลบลู่แต่แมค่คือบางคนไม่เชื่อไปเลยบางคนก็เชื่อเป็นตัวเป็นตาอืไนะคะแต่ทีนี้เพื่อจะให้สบายใจไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้โดยไม่ต้องกังวลกับสิ่งเหล่านี้ในฐานะเป็นศิษย์พระตถาคตแล้วจะทำอย่างไรดีค<ะ>่มีจิตเมตตาคุณโยมติว๋วโอ้โหดีมากๆเลยไปที่ไหนนะใครก็รัก จะเป็นมนุษย์รักเราแน่นอนรักเรานี่หมายถึงว่าไม่ใช่จะเข้ามาหาเรานะแต่หมายความว่าไม่มาทำร้ายเราอะน ะ, ะมนุษย์ก็รักเราน ะ, ะมนุษย์ก็รักเราเทวดายิ่งรักษาเรานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายอนอนหลับสนิทด้วยตื่นมาก็สดชื่นนะแถมยังผิวดีผิวพรรณงามด้วยความเมตตาเนี่แหละทีเรียกว่าแม่ชนะไปหมดทุกที่อะนะ เกรว่าจะเข้าใจคำว่าเมตตาไม่ถูกความเมตตาที่ท่านพูดถึงนี่เป็นอย่างไรคะก็คือความรักความเมตตาหมายถึงอย่างแม่รักลูกอย่างนี้นความรักตรงเนี้คือความรักความเมตตาชนิดที่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทประเด็นตรงนี้ที่อตาตมาต้องการจะไฮไลท์นิดนึงก็คือว่ า, าความเมตตาเนี่ยไม่ใช่อยู่คุณทําขึ้นมาเองได้นะแล้วมันจะแก้ปัญคุณสมมุติคุณเจอปัญหาแล้วคุณคิดว่าเอองั้นฉันจะแก้ด้วยเมตตาโอยมันช้าไปหน่อยไหมนะั่นอะ คือหมายความว่าเราต้องทําก่อนอยู่ตลอดแล้วแต่พร<ท>ะเจ้าบอกว่าให้เมตตาเนี่ยอันเธอทํามาแล้วอยู่ก่อนนะทํามาก่อนแล้วนั้นะเราพอเจอปัญหาหต่างๆเราแก้ได้แ น, น่นอะนมีเรื่องราวเยอะแยะเลยในสมัยผู้การแม่ตวพระเจ้าเองกับชาตินรันกีรีเรื่องของสาวกอื่นๆที่ใช้เมตตาเนี่ยชนะมาตลอดได้นะมีองค์อาจกล้าหารชนะนี่หมายความว่าชนะทั้งสงฝ่ายนะวินวินนะไม่ใช่ว่าเราชนะแล้วขอแพ้ นะไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องอยู่เขาจะต้องไปหรือว่าเราจะต้องหนีเขาจะต้องอยู่ไม่ใช่งั้นเราอาจจะไปก็ได้แต่ก็ชนะทั้งคู่เราอาจจะอยู่ก็ได้และก็ชนะทั้งคู่อย่างเงี้ย น, นะท่านพูดนี่เป็นหลักการของการแก้ปัญหาทุกเรื่องเลยหรือเปล่าคะเนี่ยถกตที่คนไม่ถูกกันทะเลาะกันน่ยสิ่งที่ท่านบอกว่าความเมตตาในการที่ใช้รับมือกับทุกปัญหาแล้วก็ยกตัวอย่างครั้งพุทธการกับอธิบายว่า ไม่ใช่เป็นชัยชนะที่คนอื่นแพ้ไม่มีที่จะอยู่แต่เป็นชัยชนะที่ต่างชนะด้วยกันทั้งคู่ตรงตัวนี้เป็นเป็นเอ่อเป็นความหามายของอตมาซึ่งซึ่งสอดคล้องกับพุทธวจนะแต่เพราะว่าถ้าใครชนะด้วยความเมตตาเนี่ยชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยรักษาผู้อื่นด้วยอ่าดิฉันคิดว่าอันเนี้ยค่ะถ้าโลกใบนี้ สามารถกําจัดทุกปัญหาด้วยวิธีการพระพุทธเจ้าอือคือใช้เมตตาแล้วชนะทั้งคู่เนี่ยเราคงจะอยู่เป็นสุขมากกว่าวันนี้เยอะเลยนะคะโอแน่นอนเลยแน่นอนเลยนี่แหละคือเครื่องทวนกระแสเพราะว่ามันจะ อ, อสิ่งที่เราจะดึงเราไปต่ําเนี่ยนะดึงเราไปให้สู้กันด่า ก, กันทําร้ายกันถึงขนาดขั้นมีสงครามกันลงมือทุบตีกันเนี่ยก็เพราะตันหาค่ะ่ะอาทีนี้อะไรล่ะที่จะมาทวนกระแสของตันหานะสติพุทธเาบอกสตินี่แหละเป็นตัวทวนกระแส สติทำให้เกิดอะไรได้บ้างเมตตาไงเราใช้เมตตาก็ได้นะเมตตาหนี่เป็นหนึ่งในกระบวนการที่สามารถใช้ได้นะหรือเราจะใช้อุเบกขากรุณานี่ได้หมดเลยนะเราเรากงพูดถึงเมตตานี้เราก็พูดเมตตานี่แหละนะท่านเป็นบุญคะสมบุตินะคะว่าตลอดเวลาในชีวิตที่ผ่านมาก็ก็ไม่ค่อยได้เมตตาใครเท่าไหร่เกิดจะมีใครแบบนี้นะคะเพราะว่าชีวิตในอดีตอาจจะต่อสู้แกงแย่งชิงดีแข่งขัน โดนคนอื่นเขากระทํามาก็มากจึงมีความรู้สึกว่าโลกใบนี้มันโหดร้ายจะต้องใช้วิธีตาต่อตาฟันต่อฟันอถึงจะอยู่ด้วยกันได้พอมาฟังธรรมะมที่เกิดปิ๊งนะคะแล้วก็มีความรู้สึก่าฉันจะเริ่มต้นยังไงดีละเมตตาสวดมนต์สักบทหนึ่งไหมเกี่ยวกับเมตตาจะช่วยให้ความเมตตาดีขึ้นสวดมนต์นี่จําเป็นไหมคะเพราะเหตุน<อ>ีวดบางบทเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นบทเมตตาแล้วก็จะช่วยแบบนี้คะ่ะสวดสวดมนต์นี่หมายถึงว่าเราพยายามที่จะทรงจรําบทเพลงแจ้ของพระพุทธเจ้าใช่ไหม เราน<ะ>บางทีเราไม่รู้ว่าเมตตาที่ทำยังไงเพราะฉะนั้นเราก็เอาบทเมตตาที่พระเจ้าสอนไว้เนี่ยมาสวดดูทาดูว่าเอ๊ะพระเจ้าทำยังไงอย่างเงี้ยนี่ก็ทาได้ทีนี้เรื่องของเมตตาอย่างนี้สมมติถ้าสมมติใครเป็นใบอย่างเงี้ยเราเขาจะสวดมนต์ยังไงอะ่ะเขจะเจริญจิตเมตตาได้ไหมนะคาตอบคือได้นะเพราะว่าเมตตามันอยู่ที่จิตนะไม่ได้อยู่ที่ภาษาด้วยคุณชมสุปษาไทยหรือสับปารดอย่างเงี้ยนะไม่เกี่ยวเลยเมตตาจิตตรงนี้พระเจ้ายกตัวอย่างถึง น, นี้คือวิธีการปฏิบัติเลยนะคุณจําตียว านายยกตัวอย่างถึงมารดากับบุตรอย่างเงี้ยบุตรเนี่ยคลอดออกมาจากท้องมารดาปุ๊บมานดาเห็นลูกตัวเองเนี่ยโอ้มันมีความรักเกินประมาณนะความเจ็บความอะไรหายหมดนะไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคําพูดได้นะแม่ชาวฝรั่งเศสกับแม่ชาวไทยหรือแม่ชาวลาวคนผิวดาําผิวขาวมีความรักเหมือนกันหมดตรงนี้ไม่ได้อธิบายว่าลูกฉันต้องนหน้าตาเป็นอย่างนี้หูเป็นอย่างนี้ถึงจะรักไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นอยู่ในจิตไม่ได้มีคําพูดตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ทําอย่างเงี้ยจิตเรามีความรักความไม่ตากับผู้ที่เกลียดเราด้วย นะับทุกคนต่อสัตว์ไม่มีประมาณให้สัตว์ไม่มีประมาณผ่านไปยังบุคคล น, นี้อันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องให้สัตว์ไม่มีประมาณผ่านไปยังบุคคล น, นี้นะคือมีบุคคล น, นี้เป็นอารมณ์แล้ว<ะ>เอาส่งกระแสความรักความเมตตาเนี่ยไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคล น, นี้อ๋อคือใช้เป็นปรษณีใช่ใช่ยิ่ง<ะ>เกลียดใครมากเท่าไหร่นะเข้ากระดูกดำนะยิ่งแผ่เมตตาให้มันมากเท่านั้น โอ้ยพู้ปิดยิ่งแผลเมตตาให้บุคคล น, นี้มากเท่านั้นค่ะอะออท่านคะทีนี้คําถามที่เ่องถามก็คือเหมือนว่าคนเมตตาคนไม่เป็นนะคะคิดแต่จราวีต่อตีคนอยู่เรื่อยแล้วก็บางเอื้อม่ได้เป็นแพทย์แม่คิดไม่ออกอด้วยความรักแบบแม่กับลูกเป็นยัางไงามันมีวิธีที่จะทําได้ด้วยการปฏิบัติไหมคะคืออย่างกับนั่งสมาธิเนี่ยช่วยให้คนเมตตามากขึ้ น, นะคไหอสตินี่อาจจะทําให้ช่วยทําให้คนช่วยมีเมตตามากขึ้น สติเนี่ยจะเป็นตัวที่รักษาจิตของเราไม่ให้ไปอยู่ในแดนลบไม่ให้อยู่ในแดนลบแล้วคุณจะบังคับจิตให้คุณมาอยู่ในเมตตาได้ไหมคําตอบคือได้แต่เพราะฉะนั้นเรานั่งสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวสั่งจิตได้ว่าจะเป็นเหตุที่ทำให้เราสั่งจิตได้ว่าให้จิตคุณมีเมตตานะหรือจิตคุณมีคนจะทำอะไรเราสั่งได้นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในกรณีนี้ก็ลองฝึกสมาธิจะฝึกกับท่านมาในช่วงต้นก็ได้ก<ม>็เหมือนกันที่ฉันจะใช้เวลามาตึงเป๊ะอลไรกัท่านคะ่ะใช่ นะคะก็คงจะต้องนมัส ก, การขอบพระคุณท่าจานทร์ไปบูุญเอาไวตเพียงเท่านี้นะคะจดจำกล่าวนมันส ก, การกันตั้งคะท่านฝั่งที่ครบรอบคะเราก็ได้มารบกวนท่าอาจารย์ไปบุญในช่วงฤ ด, ดูฝนฟ้าแรงซะด้วยวันนี้นะคะทํารายการสันสนิสนทนาดาเนินรายการโดยสันสนิษฐานาภคงทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอรอยหคะ่ะเปิดทาที่ถูกผิดด้วยพุ้ทวจนะผ่านไปนะคะแต่ว่าในส่วนของคําสอนของพระศาสดาที่ตรัสเอาไว้สําคัญมากและ ท่านสามารถที่จะใคร้ครวญทบทวนจากหนังสือก็ได้จากการฟังซ้ำไปซ้ำมาก็ได้นะคะถ้าเป็นหนังสือก็หนังสือผู้ทวชนะโทรมาที่02นย์สองสองหเกที่นี่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สถานีคอยรับอยู่แล้วก็รับคำถามของท่านด้วยหรือว่าท่านจะส่งคำถามของท่านตรงไปที่ท่านจา์ไปบูลก็ได้นะคะที่เบอร์ที่ verse, เว็บไซต์ peotama.com/106 ค่ะวันนี้เราก็ลาท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านไปต่เปียนเท่านี้ก่อนนะคะผู้ทัศนสวัสดีค่ะ